สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆจะช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเรามาเจอกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ 5, ะตีส0่ครึ่งถึงตีห้นะคะครึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะกับจิตวิทยาแบบเบาๆนะคะที่ช่วยคุณผู้ฟังเนี่ยประเพียน ความคิดเราทาให้ชีวิตดีขึ้นนะคะดําเนินรายการค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจําภาจิตวิทยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครั้ท่านทีครัสวัสดีท่านทุกทา่านทุกท่านด้ครับผมค่ะเรามาเจอกันแน่นอนค่ะลงในช่วงของเขาเรียกว่าเกือบๆจะปลายเดือนสิงหาคมนะคะใช่ครับปลายเดือนแล้วครับ เพราะฉะนั้นเราก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีฮะเเป็นเรื่องของความรักอืมค อ, อรักรักแฟนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวหรือไม่ใช่ความรักคร อ, อ, อบครัวแต่เป็นความรักที่อยู่กับตัวเรานี่แหลคะค่ะลุงในเรื่องของออความรักในานานทีเราจะพูดถึงความรักและการเคารพตัวเองลุงต่ออนน่าสนใจไค เรารักตัวเองเนี่ยเรารู้ว่าเราจะรักตัวเองยังไงบ้างแต่ว่าเราจะเคารพตัวเองอย่างไรล่ะเพื่อให้เราใช้ชีวิตให้อย่างมีคุณค่าให้คนอื่นเขามองอ เ, เห็นความรักแล้วก็เคารพเราอย่างเงี้ยนะคะต้องฟังรเราสองคนในวันนี้เลยค่ะลุงครับต้องพูดถึงก่อนว่าการรักและเคารพตัวเองเนี่ยลุงยูคิดว่ามันคืออะไรคะลุงคิดว่ามันก็คือสิ่งที่เราควรหนึ่งคือควรทำบอกหมดเลย นะครับแต่สิ่งที่จะบอกว่าควรทาก็คือการรักและเคารพตัวเองก็คือการให้เกียรติตัวเองให้เกียรติความรู้สึกให้เกียรติคนที่กําลังอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตัวเราตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เกียรติเราแล้วอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะให้เกียรติเราค่ะนะครับแล้วการที่คุณจ ะ, จะแสวงหาต้องการความรักจากคนอื่นคุณต้องรักตัวเองเป็นก่อนนะครับค่ะ ก่อนที่จะรักคนอื่นต้องรักตัวเองก่อนค่ะใช่ใช่ช่แล้วการเคารพตัวเองนะคะลุงเคารพตัวเองก็คือก็คือการที่เราทําอะไรแล้วหรือบอกอะไรกับตัวเราเองไว้ไม่ต้องไปบอกกับคนอื่นหรอกบอกกับตัวเองแล้วเช่นวันนี้กลับไปบ้านนะเย็นพอดีเลยว่าจะไปปลูกมะละกอค่ะต้นหนึ่งพะไปถึงต้องทำเนื้ มันเป็นการให้เกียรติตัวเองนะคะใชนเราพูดไปแล้วเราต้องทําให้ได้อเราต้องทําให้ได้ครับเราต้องทำให้ได้ไม่ใช่พอทํำไปเสร็จแล้วก็เอ้ยเมื่อวานวันนี้ดูฝนจะตกไม่ปลูกดีกว่ามันก็ไม่เกิดความเคารพตัวเองละค่ะคือไม่ใช่ว่าพูดอะไรไปก็อย่างงู้นอย่างนี้พูดกับคนนน้นคนนี้ไม่ได้ทําอะไรทักอย่างเลยมันก็เหมือนเป็นการที่ไม่เคารพตัวเองนะคะทั้งคําพูดทั้งการกระทำทั้งความคิดนะคะูครับ เพราะอะไรล่ะคะลุงเราถึงจะต้องรักแล้วก็เคารพตัวเองอืมนะครับเบื้องต้นเลยนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยก็ทําทให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าค่ะาาการ<อ>มี ค, ค, คุณค่านเนี่ยใช่ครับไม่อยากที่จะให้พวกเราเอาสิ่งแวดล้อมภายนอกคือคนอื่นมาตัดสินว่าเรามีคุณค่าหรือไม่ค่ะแต่ถ้าแปลว่าคุณรักตัวเองเป็นรู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองได้ เคารพในคําพูดของตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวพูดไว้นี่คือการมีคุณค่าในตัวเองล่ะอืหรือบางทีเราอาจจะอยากทําอะไรถ้าพูดถึงเรื่องราวของความรักอย่างนี้นะคะลุงบางทีเราอาจจะไปหลงรักคนที่เขามีครอบครัวเราหรือว่าถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นก็ไปรักคนที่เขามีแฟนล่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องบอกตัวเองก็คือเขามีครอบครัวแล้วเราไม่ควรจะยุ่งกับเขาอ๋อเราต้อง มีศักดิ์ศรีนี่ก็คือเป็นความรักและเคารพตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าเราต้องทำให้ตัวเองมีคุณค่าคือถ้าน้องไม่คิดอย่างขนาดที่เราสองคนคิดคิ่คแค่ว่าเดี๋ยว เ, เรื่องไม่ดีเรื่องร้ายๆจะมาเกิดขึ้นเรื่องไม่สบายใจจะเข้ามาสู่ตัวเองแล้วนะค่ะก็ทุกเรื่องราวเนี่ยถ้าจะทำอะไรในสิ่งที่มันอาจจะรู้ว่ามันผิดหรือไม่ถูกต้องเนี่ยให้คิด ถ้าเราคิดแล้วเราไม่ทําในสิ่งที่มันเราไม่ได้ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะเคารพตัวเองนะคะเราจะมีความเคารพตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะทุกอย่างมันก็จะตามมาเหมือนกันนะคะถูกต้องครับการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าคืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันต้องเห็นคุณค่าก่อนนะคือบางคนเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองยังว่าตัวเองอ่ะท้องทีเคยเจอไหมล่ะนะครลุง แต่ว่าตัวเองยังไงคะลุงว่าตัวเองยังไงล่คือนี้คือเวลาเวลาที่มีเด็กมาขอคำปรึกษาเนี่ยเด็กเขาจะไม่รู้สึกว่าเขามีมีคุณค่าเลยอ่ะคเขาจะเริ่มต้นเดือนลุงดูที่ผมสอบตงอีกแล้วแม่ขอดาคว้าตะไรออกจากบ้านผมมันเละจริงๆเลยอะไรเงี้ยขอโทษนะครับด้วยป่าแตนั้นคือเรื่องจริงพอเขาพูดพูดมาลุงก็มีหน้าที่ฟังฟังเสร็จแล้วลุงก็บอกว่า รู้ไหมว่าคุณกําลังว่าตัวคุณเองเนี่ยแม่ผมว่าผมผมไม่ไดว่า <c oughs> ฟังจากคนอื่นมาที่เขาว่ามาอันนั้นแหละแต่ถามบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณเก็บเอาไว้ถ้าคิดว่ามันใช่ <c oughs> มันก็ไม่เกิดการรักตัวเองนะค่ะถ <c oughs> ูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันนี้คือเรื่องที่สําคัญว่าคุณอยากเห็นตัวเองมีคุณค่าในสายตาคนอื่นคุณต้อง มีคุณค่าในสายตาตัวคุณเองกแล้วถ้าคิดได้แบบรักตัวเองก็คือเวลาที่แม่บ่นมาคนนู้นคนนี้ว่าก็ต้องมาคิดว่าครั้งหน้าฉันจะไม่ทําอีกละฉันจะอ่านหนังสือฉันจะสอบไม่ได้อันนี้สััญญาตวเองออันนี้ก็คือการรักตัวเองไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามานั่งบ่นนะลุงเนาะแล้วก็ไม่ทำครั้งหน้าก็เหมือนเดิมอีกเลยเราต้องสัญญากับตัวเองว่าไม่เอาแล้วนะ เอายกตัวอย่างง่ๆสิงที่บอกว่าจะเลิกสูบบุหรี่ค่ะบอกไม่รู้กิ่งหนสเจ็ดรอบก็เลิกไม่ได้ ม, มันไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกมันอยู่ที่ตัวเราก่อนถูกไหมครับว่าว่าว่ า, ว า, วาเราเนี่ยรักตัวเองไหมอยากจะเลิกไหมอยากสุขภาพดีไหมนะครับไม่ต้องไปบอกว่าวุ้ยนี่เห็นคนนี้ไหมเป็นปอดอย่งงางโน่นี้เขาเห็นเขารู้หมดแล้วครับแต่ว่าเา้เายังไม่รักตัวเองพอที่จะ ทำให้เขาเลิกจ้ะพูดถึงนะคะที่มีเพื่อนที่สูบบุหรี่แบบนี้นะคะเขาก็มีลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะพูดกันถึงเหตุผลกันว่าเอ้าวทำไมคุณไม่เลิกสูบุหรีล่ะเพราะว่าลูกคุณก็ยังเด็กมันเหม็น เ, นเนาะเด็กต้องรับบุหรี่มือสองนู่นนี่เขาเขารู้ทุกอย่างล่ะแต่ว่าเขาทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เลิกกันง่ายๆอถ้าเลิกง่ายๆเขาเลิกไปนานแล้วนะคะโอ้คือบางคนบางคนก็อยากจะรักตัวเอง แต่ไม่ทําให้มันจริงจังใช่ไ้มคยลุง bueno <l ug> ใช่ใช่ใช่ครอันนี้อย่าเรียกว่าฉันรักตัวเองเพราะจะได้สุบริการนี่เขาเรียกว่า ค, คุณไม่รักตัวเองและครอบครัวถ้ารักตัวเองและครอบครัวจริง ๆ, <S 2> <S 2> ๆเขาต้องทําได้ใช่ครับเขาต้องทาได้เขาต้องทําเพื่อตัวเขาก็ไม่ต้องมาบอกว่าฉันทาเพื่อคนคุณทําเพื่อตัวคุณเองก่อนกับทุกเรื่องค่ะนะครับลุงยุ้ยคะ่ะเวลาที่เราทําอะไรผิด เราให้อภัยตัวเองถ้ามันไม่ได้ผิดร้ายแรงหรืมันจะผิดร้ายแรงก็แล้วแต่เท่ากับการเป็นการเคารพตัวเองไหมคะก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสนะอืให้โอกาสตัวเองใช่ครับให้โอกาสตัวเองถ้าตัวเองไม่เคยทําผิดหรือว่าความผิดอันนี้เกิดจากความประมาทพลั้งเผลอถือว่านี่คือการให้โอกาสแต่มันไม่ควรมีอีกแล้วมะนอาจจะครั้งหรือสองครั้งเนาะใช่ใช่แต่ไม่ควรครั้งที่สามเออ เราให้โอกาสได้แต่ว่ามันต้องเอามาปรับอย่างที่น้องสี่พูดมเมื่อกีว่าเราต้องเอามาสํานึกว่าเฮ้ยเราพอทําผิดอีกคงจะไม่บางทีเขาอาจจะพูดเป็นลาหรือเปล่าค่ะบางทีเขาก็จะว่าได้ว่าผิดซ้ําผิดซากพูดบางทีเราก็ว่าตัวเองเหมือนกันละคะ่ะทําผิดซ้ําๆำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ปรับปรุงเราก็ผิดซ้ําๆซากซบางทีเราก็แอบว่าตัวเองเหมือนกันค่ะลุงแต่ต้องไม่มีครั้งที่สามใช่ไหมคะใช่ครับ มันไม่ต้องมีครั้งที่3ามรอกเอาแค่1หรือสอก็น่าจะพอล้ก <c oughs> ็น่าจะเกินพอแล้วนะคะใช่ค<ห>รับเบรกลากเอาแค่หอมปากหอมคอก่อนค่ะในเรื่องของการรักและเคารพตัวเองนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกับช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University เแขงไม่ทุกไม่ร้อนเรื่องใดแต่ในตอนสุดท้ายมันเศร้าไรก็มีน้ำตารักตัวเองสักทีลืมเรื่องวันที่ผ่นมาแล้วมองไปข้างหน้ามีเวลาให้เรียนรู้เริ่มต้นกันอีกทีชีวิตยังมีพรุ่งนี้รออยู่ให้มันดูว่าเจอคนเดียวไม่เห็น ตาหมดเวลาทำร้ายหัวใจฉันขอเป็นคนใหม่และเจอไม่มีหน้าไหนมาทำให้ฉันเสียน้ำตาคิดได้เสียทีและต่อไปนี้จะไม่ทำร้ายตัวเองต่อไปไปเวลาดูแลหัวใจตัวเอง จะปล่อตัวเองให้ลมแล้วลองฟื้นลุกขึ้นได้ใ เ, เป็นคนที่เข้มแข็งไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรื่องใดและไม่ยอมให้รักเข้ามาทำร้หยในน้ำตารักตัวเองสักทีลืมเรื่องวันที่ผ่นมาแล้วมองไปข้างหน้ า, ามีเวลาให้เรียนรู้ เริ่มต้นกันอีกทีชีวิตยังมีพรุ่งนี้รออยู่คนดูคนเดียวไม่เห็นตายมันเป็นเธาไงเปลือกดังทองฟ้าที่ปางวันไม่สดใสหมดเวลา ฉันเสียน้ำตาคิดใด้เสียทีและต่อไปนีจะไม่ทำร้ายตัวเองต่อไปก็เพราะามันหมดเวลาทำร้าหัวใจฉันขอเป็นคนใหมและจะไม่มีหน้าไหนมาทำให้ฉันเสียน้ำตาคิดได้เสียทีและต่อไปนี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 กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการจิตวิทยากับครูยุ้กันต่อค่ะวันนี้เราพูดถึงการรักและเคารพตัวเองออาจจะดูเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่มันมากมายอะไรนะคะเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วคุณน่ะรักและเคารพตัวเองบ้างหรือเปล่าในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ถ้าเรารักและเคารพตัวเองเนี่ยมันจะมีข้อดีแบบไหนเดี๋ยวฟังเราทั้งสองคนนะคะลุงลุงขาววิธีการเคารพ ตัวเองรักตัวเองมีอะไรบ้างคะเวลาที่เราจะรักตัวเองอันแรกเลยเราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเป็นใครเนาะค่ะอันไหนที่ดีอยู่แล้วเร า, เ า, าก็อาจจะจดไว้ว่านี่คือข้อดีของเราเนาะ อ, อันไหนคือข้อที่ไม่ค่อยดีหรืออยากแก้ไขก็จดเอาไว้อีกมุมหนึ่งเพื่อที่เราจะเอามาปรับตรงนี้แหละเราเริ่มจะรักตัวเอง ส่วนอันไหนที่เราคิดว่ามันยังทําไม่ได้แน่ๆก็เขียนไว้อีกแผ่นหนึ่งะนะครับก็เขียนเอาไว้ทั้งสองลำแผ่นอย่างเงี้ยครับแล้วเราเริ่มจากให้สิ่งที่เราดีอยู่แล้วก็พยายามที่จะทําให้มันดีอยู่ส่วนไอ้อันที่เราทําไม่ได้หรือว่าคิดว่ามันไม่ดีอย่างเช่นเราเป็นคนชอบตอน<ด>งเตือนสาย นอนดึกแล้วก็นนตื่นสายนอนดึกแล้วตื่นสายแล้วเราก<อ>็บอกกับตัวเองเขียนคอมเมนต์ไว้ว่าสัปดาห์นี้จยากขอนอนดึกแล้วตื่นสายแค่สองวันช่วงใหม่ๆอาจจะสามวันไปบ้างก็ให้อภัยตัวเองนะคะให้ให้ใหสองสาวันก<อ>็แต่ห้าวันเนี่ยมันต้องได้บ้างนะตื่นสายไม่ไห ว, ว, วอ่าไม่ได้ว่าต้องไม่ตื่นสายเลยทั้งเจ็ดวันนี้มันลุงลุงว่าเกินเกินความเป็นจริงมันทําได้ยากเหมือนกัน เอาใช่ไลุงถึงบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนไม่ได้แล้วมันก็มีส่วนที่เสียส่วนที่ไม่ได้อยู่บ้างถูกไหมครับอืมเพราะฉะนี่คือสิ่งที่เราต้องมี ม, ม, มีมีสัญญาสัญญากับตัวเองเกินไอ้ข้อที่เราคิดว่าทําไม่ได้เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เอามาคิดนะน้องสีแปะไว้หัวนอนลเลยค่ะลุงแปะว่าเรต้องดองูใช่ใต้องมาคิดว่าเตือนสติอพอพอมีทางไหนบ้างไหมที่จะ ให้มันเป็นเริ่มแก้ไขได้ค่ะนะครับอันนี้คือขั้นแรกเลยรู้จัก ต, ต, ต, ตัวเองต้องรู้จักตัวเองให้ดีก่อนค่ะมีอีกไหมคะลุงมีอีกครับอันนี้ของนี้น้องทีน่าจำพูดได้ดีครับดูแลร่างอายตัวเองคือทีจะบอกว่าทีจะบอกว่าทีเป็นคนที่ไม่แข็งแรง ที่เป็นภูมแพ้สิ่งที่ที่จะรักและเคารพตัวเองได้ก็คือทีต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงทํำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองแข็งแรงคือเราก็มาดูว่าปีที่แล้วกับปีนี้เราป่วยอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะลุงปกติที่จะป่วยบ่อยมากกระสอบกระแสะแต่พอทีออกกําลังกายที่รักตัวเองที่หาเวลาปั่จักรยานอะไรก็แล้วแต่วิ่งเข้าฟิตเนสเข้ายิมมันทําให้ทีป่วยน้อยลงเทำให้ทีแข็งแรงมากขึ้นอืเห็นไหม นี่คือการรักตัวเองก่อนโดยที่ไม่จาเป็นว่าต้องมีสิ่งแวดล้อกจากภายนอกว่ะมีหนุ่มมาเล่นที่อันนั้นเป็นผลพลอยได้ค่ะลุงเป็นผลพลอยได้อันนี้ลุงเข้าใแต่เรื่องต้นคือคุณต้องรักในสุขภาพตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงเราจะดูแลตัวเองได้เราจะดูแลคนอื่นได้ไม่เป็นภาระกับใครนะคะนั่นแหละนั่นนี่คือประเด็นที่สองนะครับ มีอีกไม่คะลุแปลว่าคุณรู้จักตัวเองค่ะรู้จักว่าจะช่วยเหลือตัวเองยังไงดูแลตัวเองให้แข็งแรงยังไงอันต่อไปคือที่ลุงบอกเมื่อกี้คือหาจุดที่เราจะต้องปรับให้เจอจุดน้อยจุดด้อยจุดน้อยค่ะนะคะจุดด้อยของตัวเองบางทีเนี่ยคือคนภายนอกอาจจะไม่เห็นด้วยนะค่ะแต่เรารู้ว่ามันเป็นจุดด้อยของเราต้องยอมรับแบบแบบเปิดใจจริงๆนะคะ ช่ากันยังไม่เป็นข้อเสียของเราอ่ใช่พยายามปฏิเสธว่าไม่ใช่อืมเ่านั่นแหละนะคนข้างนอกเขายังไม่ว่าฉันเลยทําไมฉันจะต้องมาปรับปรุงทำไมฉันต้องมาว่าตัวเองใช่เรารู้อยู่กัแต่ตัวเองว่าเราเป็นอะไรนะอย่างเช่ลุงเป็นคนพูดไม่ร้องอย่างเงี้ยค่ะลุงก็ยอมรับว่าลุงเป็นคนพูดไม่ร้องแต่ลุงก็พยายามจะบอกว่าถ้าคนที่ลุงไม่รู้จักด้วยไม่สนิท พร้อมากไม่สนิทแต่พอสนิทปั๊บแดนพูดไม่พร้อมมากแันเป็นตัวเองขึ้นมาใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะผ <c oughs> ิดเลยครับใช่ครับลูกขาถ้าเราหาจุดที่จําเป็นต้องปรับเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาตัวเองได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเราก็เริ่มก็จากที่มันไม่ได้แล้วมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันได้ได้แล้วก็ดีดีแล้วก็ยอดเยีย่ยมคะ่ะนะครับมันพัฒนาขึ้นไปดีดื่อยๆ ขึ้อยู่กับว่าคุณจะเริ่มนับหนึ่งวันไหนล่ะอืมนะครับก็บางทีถ้าไม่ได้หาจุดด้อยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราพัฒนาตัวเองได้ได้แบบไหนได้แค่ไหนเขาถึงบอกว่าไม่ให้พูดคําว่ามันทําดีที่สุดแล้วลงถ้าดีที่สุดแล้วมันจะดีกว่านี้ไม่ได้ถ้าทํํานี้ทาเต็มที่แล้วที่รุมขาเนี่ยเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาพูดกับ รุ่นในรายการหนึ่ง้วไปฟังเขาแล้วก็บอกว่าประเทศไหนก็ซู้ประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยดีที่สุดในโลกแล้วล่ะครับค่ะำตอบที่เขาบอกไอ้ไอ้อดีเจก็พูดจอกมาบอกว่าถ้าดีที่สุดในโลกคุณก็ไม่ต้องมาวิจารณ์ว่าถนนยังไม่ดีไอ้นู่นยังไม่ดีมันไม่มีอะไรที่มันเต็มที่แล้วมันก็ ก็ดีดีที่สุดแล้วนะคะบางทีถ้าเราอยู่เฉยๆว่างๆอย่างเงี้ยเรานั่งหรืออช่วงเวลาเงาเงาเลยอะไรเราลองคิดสิว่าเรามีพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยลุงเนาะบางทีที่มันแสดงออกคือที่ชอบอ่านหนังสือปรัชญาชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาชอบดูรายการจิตวิทยาเขาบอกว่าสิ่งที่เราพูดเราทำออกไปเนี่ย มันสะท้อนตัวเรานะคะอย่างอยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงคําพูดบางอย่างถ้ามันแก้วน้ําตกแตกอย่างเงี้ยค่ะลุงลุงจะพูดว่า อ, อะไรคะท่านแก้วน้ำตกแตกลุงก็แบเฮ้ยไปหาเก็บเร็วเห็นไหมคือเขาบอกว่าบางคนว้ายแตกอีกละตกใจแตกได้ไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าสิ่งนั้นเน่ยมันคือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาแต่ถ้าพูดอย่างกับลุงว่าเอา้าแก้วน้ําตกแตกเอ้าแล้ว <ไป S 1> ช่วยกันเช็ดเร็วช่วยกันเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใบไม้อะไรอย่างเงี้ย มันจะมันไปไปไปบาทคนอื่นใช่มันจะสะท้อนความคิดแง่คิดของเราเลยมาว่าเราเป็นคนบาปไหนบางทีเราลองเนี่ยเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยลองคิดดูว่าบางทีเราอุทานอะไรลงไปความคิดเราเป็นในทิศทางไหนแล้วเราปรับปรับที่ความคิดนะคะแล้วพฤติกรรมมันจะดีขึ้นใช่ถูกต้องถูกต้องเลยอันนี้อันนี้น้องสีผมเคยให้หลายแปะนนนะครับเพื่อเยี่ยมนะคะก็ข้อดีค่ะลุงของการเคารพตัวเองลุง มันจะมี<อ>ะได้บ้างอันที่หนึ่งเลยคือทําให้เราภูมิใจในตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำัญพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาสองคือให้มันเกิดความพัฒนาขึ้นทําให้คนอื่นมองเห็นเราในมุมอีกมุมหนึ่งว่าเออดีขึ้นจริงๆน ะ, ะนะครับยืนยันนะครับก่อนที่คุณจะให้ใครชมเราอืพยายามทําตัวเองให้ดีแล้วชมตัวเองหรือว่าตัวเองให้ได้ก่อนค่ะนะครับ<อ> เราไม่ต้องไปสนใจว่าใครเขาจะมาชมหรือไม่ชมแต่ถ้าเราทาดีแล้วเรามีความสุขใจแล้วครับปิดท้ายคำถามสุดท้ายค่ะลุงถ้าเราเคารพและรักตัวเองแล้วเพราะอะไรเราควรจะเคารพคนอื่นด้วยอแน่นอนที่จริงเนี่ยไอประโยคนี้นะครับสังคมไทยเรามันตรงกันข้ามนะน้องปีดเราเคารพคนอื่นก่อนไนะไม่ค่อยเครารพ ต, ตัวเอง อ้าวเฮ้ยคนนู้นดีจังเฮ้ยคนนี้เก่งเอ้ยคนนั้นคนนี้รวยชื่นชมเขาแล้วอ่าแล้วค่อยหันมาดูตัวเองแล้วหานหามุมติดลบเลยไม่ได้มุมดีนะฉันไม่ได้เก่งแบบเขาก็ก็ทำเหมือนเขาทํำไมผลลัพธ์มันได้ต่างกันนั่นเลยแล้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรักตัวเองเป็นซะแล้วให้การเคารพคนอื่นมันจะออกมาอัตโนมัติเหมือนกันนะง่ายขึ้นเลยมันจะง่ายเลยค่ะเห็นไมครับขอให้เราเคารพตัวเองก่อนเถอะค่ะนะครับ เรื่ <Okay. S 2> องอะไรแบบนั้นถ้าผู้ฟังน่าจะอาลองไปปรับใช้ดูครับค่ะอยู่ในสังคมนะคะนอกจากการเคารพตัวเองเรารักตัวเองเราเคารพตัวเองเราก็จะเคารพผู้อื่นได้ ช, ชีวิตมันถึงได้จะมีความสุขจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเอามาฝากกันแต่ว่าหมดเวลาลงแล้วคะ่ะลุงโอเคครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่เมื่อไหรคะวันศุกร์ครับตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครับผมใช้แล้วค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันทีร ว, วดียิ่งมีค่ะ